บทที่64มหาห้องตอนสายของวันรุ่งขึ้นท่านเจ้าคุณพระเทพสิทธินายกเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ได้เดินทางมายังวัดหน้องโพเพื่อนมรส ก, การหลวงพ่อเดิมเจ้าคณะจังหวัดรูปนี้มีนามเดิมว่าห้องคนทั่วไปเรียกว่ามหาห้องเพราะท่านจบป ร, รียนาธรรมเจ็ดประโยคมหาห้องเคยบวชอยู่ที่วัดหน้องโพเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเดิมมาก่อนครั้นได้เป็นเจ้าคณะจังหวัดก็ไม่ได้ลืมครูบาอาจารย์เมื่อว่างจากสมณกิจก็จะมาเยี่ยมเยียนอยู่เสมอเสมอ มีพระจากวัดพรมบุรีมาให้ฉันสึกให้ฉันดูหน้าเขาแล้วก็รู้สึกไม่ได้ดวงจะต้องบวชไปตลอดชีวิตถ้ายังไงขอฝากเจ้าคุณช่วยดูแลให้ด้วยหลวงพ่อเดิมพูดฝากสิทธิ์ใหม่ไว้กับสิทธิ์เก่าเรือครับเขามาอยู่กับหลวงพ่อตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตั้งแต่ออกพรรษาใหม่ๆมาอยู่สองเดือนแล้วคุณเชื่อไหม เขามาหาฉันที่กุฏิทุกวันรบเร้าจะขอศึกให้ได้และหลวงพ่อทำยังไงครับเจ้าคุณมาหาห้องถามฉันก็พูดบายเบียงไปทุกครั้งบอกว่ายังไม่มีเริกบ้างผัดเพี้ยนไปวันอื่นบ้างเมื่อเข้าโมโหโทโสนนะักฉันก็บอกให้ศึกได้เดี๋ยวนั้นแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นภายหลังจะมาโทษฉันไม่ได้ เพราะก็อยากศึกตอนเลิกไม่ดีพอมาไม้นี้ก็เลยไมก่กล้าศึกเพระโยมยายสั่งมาว่าถ้าใจไม่ดีอย่าศึกเขาอยากได้คาถาทําให้ผู้หญิงรักฉันก็ให้คาถาไปท่องตั้งแต่ครั้งละหนึ่งประโยคจนกระทั่งหน้ากระดาษครั้นมัววุ่นอยู่กับการท่องคาถาเลยลืมเรื่องศึกไปได้สมพานวัดหนองโพเล่ายิ้มยิ้ม ถ้าไม่หลวงพ่อไม่ให้เขาเรียนวิชาต่างๆจากหลวงพ่อละครับอย่างที่ผมเคยเรียนเจ้าคณะจังหวัดถามฉันก็ตั้งใจไว้อย่างนั้นแต่ต้องรอเวลาให้จิตเขาสงบลงกว่านี้ถ้าไม่ว่าวุ่นกับการอยากศึกก็จะเรียนได้สามเดือนไปแล้วนั่นแหละจึงจะสงบเยือกเย็นขึ้น แล้วฉันก็จะถ่ายทอดความรู้ทั้งหมดที่มีให้แก่เขารวมทั้งตำราพิชัยสงครามและคชศาสตร์ที่ผมเคยขอเรียนด้วยหรือเปล่าครับภิกษุวัย75อยากรู้ถูกแล้วเขาเหมาะสมที่จะเรียนวิชานี้เขาโชคดีนะครับมาอยู่ไม่เท่าไรหลวงพ่อก็จะถ่ายทอดวิชาให้ส่วนผมอยู่กับหลวงพ่อมานานขอเรียนตำราพิชัยสงคราม กับคดศาสตร์หลวงพ่อไม่เคยยอมสอนให้พูดอย่างน้อยเนื้อต่ำใจไม่ใช่แต่เจ้าคุณเท่านั้นที่ฉันไม่สอนสองวิชานี้ให้แม้ลูกหลานฉันฉันก็ไม่สอนพูดจะเรียนได้ต้องคนเดียวเท่านั้นพระเจริญจะเป็นคนแรกและก็คนสุดท้ายที่จะสอนให้ อาจารย์วัย1้อยสบอกลูกศิษย์วัย75หเพราะอะไรหรอครับทำไมคนอื่นจึงเรียนไม่ได้เพราะกรรมนะสิจ้าคุณเคยศึกษาพุทธประวัติมาแล้วไม่ใช่หรือเหตุใดพระพุทธเจ้าจึงทรงประธานตำแหน่งอัครส า, าวกให้กับพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะทำไมพระองค์ไม่ทรงประธานให้กับผู้ที่บวชก่อนเช่นพระโกนทัญะ พระชะติินสามพี่น้องหรือพระยาสกุลบุตรเป็นต้นก็เพราะท่านเหล่านั้นไม่ได้ทำกรรมที่จะทำให้เป็นอัครสาวกใช่หรือไม่เจ้าคุณก็เหมือนกันเจ้าคุณทำกรรมที่ทำให้เป็นเจ้าคณะจังหวัดแต่ไม่ได้ทำกรรมที่จะได้เรียนวิชาทั้งสองนี้มันแล้วแต่เหตุปัจจัยนะฉันไม่ได้ลําเอียงหรือว่าเลือกทิรัก หลักที่ช่างอะไรภิกษุชาอธิบายพร้อมยกตัวอย่างแสดงว่าพระเจริญเขาสร้างเหตุปัจจัยที่จะได้เรียนสองวิชานี้มาส่วนผมไม่ได้สร้างมาอย่างนั้นใช่ไหมครับผู้เป็นสิทธิถามถูกแล้วทีนี้เจ้าคุณเข้าใจหรื อ, อยังล่ะว่าเหตุใดจันจึงไม่สอนให้เจ้าคุณหรือคนอื่นๆเข้าใจแล้วครับหลวงพ่อ ผมหายครางแคลงใจแล้วเจ้าคุณมหาตอบดีแล้วเข้าใจง่ายๆอย่างนี้ดีฉันจะได้ไม่ต้องอธิบายมากเอาละประเดี๋ยวจะให้เนนเวลไปตามเข้ามาพบอยากให้รู้จักกันไว้ตั้งแต่วันนี้เผื่อวันหน้าจะได้พึ่งพาอาศัยกันและกันท่านบอกเนนเวลซึ่งคอยรับใช้อยู่ใกล้ๆสมเนนจึงลุกเดินไปยังกุฏิ ที่พระเจริญพักภิกษุวัย21อกราบหลวงพ่อเดิมก่อนแล้วจึงกราบภิกษุอคันตุกะที่เนรเว่าบอกว่าท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคุณมาหาห้องมองผู้อ่อนวัยอย่างพิจารณา คิดในใจว่าบุคคลนี้คงจะมีวาสนาบารมีต่อไปในภายภาคหน้าหาไม่แล้วพระอาจารย์คงไม่เลือดสันให้เป็นผู้รับมรดกคือตำราพิจัยสงครามกับโคตศาสตร์ที่ท่านหวงแหนและไม่เคยถ่ายทอดให้กับผู้ใดมาก่อนชื่อจเจริญมาจากวัดพรมบุรีใช่ไหมท่านถามภิกษุหนุ่มขอรับกระผมจะขอให้หลวงพ่อท่านศึกให้ แต่จนแล้วจนรอดก็ยังไม่ได้สึกพระเจริญตอบพลางปลายตาไปทางหลวงพ่อเดิมเหมือนจะต่อว่าต่อขานเจ้าคุณวัยเจห้าเห็นอากัปกิริยาของภิกษุคราวหลานก็เข้าใจดูท่าทางเขาอยากครองเพศคารวาเจละเกินนี่ทารู้ว่าตัวเองไม่มีโอกาสได้สึกจะโมโหกโกรธาสักเพียงใดหนอเธออยากสึกมากนักรพระเจริญ ตอบไปตามจริงว่าเมื่อก่อนอยากมากขอรับแต่ดูนี้กระผมรู้สึกเฉยเฉยสึกก็ไม่สึกก็ได้ขอรับหลวงพ่อท่านทาให้กระผมผิดหวังซะจนชินชาคงไม่คิดไม่หวังอะไรอีกแล้วขอรับอดไม่ได้ที่จะพูดประชดประชันภิกษุสูงไวยเอาละฉันอยากจะถามอะไรเธอสักอย่างเธอตอบฉันมาตามตรงนะ ห้ามบิดพริ้วภิสุหนมนิ่งไม่ยอมตกปากรับคำด้วยเกรงว่าเรื่องที่เจ้าคุณมาหาห้องจะถามเป็นสิ่งที่ตนไม่ต้องการตอบว่าอย่างไงละ่ะทำไมไม่ตอบผู้สูงวัยกว่าถามย้ำกระผมเกรงว่าจะตอบไม่ได้ขอรับตอบได้แน่เรื่องนี้เธอตอบฉันได้รับรองเช่นนั้น ถ้าตอบได้แต่ทำให้กระผมไม่สบายใจที่จะตอบขอประเดจพระคุณอนุญาตให้กระผมไม่ตอบนะครับพระหนุ่มต่อรองโอ้โหเธอพูดกวนจนฉันชกงงเอาละเอาละเป็นอันว่าฉันอนุญาตอนุญาตไม่ให้ตอบฟังดูพี่ลึกๆนะเจ้าคุณพูดยิ้มยิ้มถ้าเช่นนั้น นิมนต์ประเดชพระคุณถามได้ขอรับฉันจะถามอะไรเธอหนะ้าดูสิมัวพูดวกวนจนลืมเรื่องที่จะถามเจ้าคณะจังหวัดพูดคล้ายบนพระเจริญตอบซื่อว่ากระผมก็ไม่ทราบขอรับว่าประเดชพระคุณจะถามเรื่องอะไรจังได้แต่ที่ถามแล้วเช่นคําถามแรกประเดชพระคุณถามว่าเธอชื่อจเจริญ มาจากบัตรพรมบุรีใช่ไหมคำถามต่อมาก็คือเธออยากศึกมากนักหรือและคำถามสุดท้ายฉันอยากจะถามอะไรเธอสักอย่างเธอตอบฉันมาตามตรงนะห้ามบิดพริ้วขอรับพระหนุ่มพูดซื่ อ, อเจ้าคุณวัยเจ็สิบห้าชอบอกชอบใจหันไปบอกหลวงพ่อเดิมซึ่งกำลังเป่าเพียงเพียงดีเพียงดี ให้กับญาติโยมหลวงพ่อครับลูกศิษย์หลวงพ่อคนนี้แจ๋วจริงๆความจำยอดเยี่ยมมากภิกษุชาราไม่ได้พูดว่ากระไรทั้งไม่ได้ละมือจากกิจที่ทำอยู่ด้วยเห็นผู้เป็นอาจารย์ไม่ให้ความสนใจเจ้าคุณมาหาห้องจึงหันมาพูดกับพระเจริญดังเดิมเธอรู้ไหมว่าฉันเป็นใครท่านตั้งคำถาม กระผมไม่ทราบคอรับแต่สัมมาเนนว่าบอกกระผมว่าพระเดศพระกุลเป็นเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ขอรับอ้าวก็ไหนเธอว่าไม่ทราบไงล่ะคือกระผมไม่ทราบมาก่อนคอรับแล้วก็ไม่ทราบว่าสิ่งที่สัมเนนบอกกระผมจะจริงหรือเท็จดีเธอฉลาดรอบคอบดีที่ไม่เชื่ออะไรใครง่ายๆแบบนี้เขาเรียกว่า คนสอนง่ายเธอจังไหมนะอีกหน่อยถ้าเธอไปเป็นครูบาอาจารย์เขาเธอจะต้องเรียนรู้เสี ก, ก่อนว่าลูกศิษย์คนไหนสอนง่ายคนไหนสอนยากวิธีทดสอบไม่ยากเลยเธออยากรู้ไหมล่ะไม่อยากขอรับเพราะกระผมไม่คิดที่จะเป็นครูบาอาจารย์ใครพระหนุ่มตอบซื่อๆอีกแต่คนฉลาดก็ไม่ปฏิเสธนะ ผู้ใหญ่ให้อะไรต้องรับไว้ก่อนจะคุณตำหนิเกรงกใพระเดชพระคุณพูดเหมือนหลวงพ่อเลยขอรับท่านหมายถึงหลวงพ่อเดิมก็นแน่ละสิฉันเป็นลูกศิษย์ท่านนี่นาะและฉันก็เคยถูกท่านตำหนิอย่างนี้มาด้วยเอาละฉันจะบอกเธอถึงวิธีดูว่าลูกศิษย์คนไหนสอนง่ายคนไหนสอนยากโดยให้ดูที่ความเชื่อของเขา เจ้าคุณวัยเจ็ดสิบห้าพูดยังไม่ทันจบพระเจริญก็ถามขึ้นเสียก่อนว่าดูอย่างไรขอรับเจ้าคุณมหาจึงย้อนถามอย่างนึกสนุกว่าอ้าวก็ไหนเมื่อกี้บอกว่าไม่อยากรู้ไงละ่ะเมื่อกี้ไม่อยากรู้แต่ดูนี้อยากรู้แลขอรับภิกษุวัยยี่สิบอ็ดตอบอย่างไม่ติดขัดทำไมเปลี่ยนใจง่ายจังละ่ะเจ้าคุณแจ้งยั่ว กระผมอยากเป็นคนฉลาดขอรับพระเดศพระคุณสอนกระผมเมื่อตะกี้ว่าคนฉลาดเขาจะไม่ปฏิเสธผู้ใหญ่ให้อะไรต้องรับไว้ก่อนหลวงพ่อท่านก็สอนอย่างนี้ขอรับเอาละเอาละขืนพูดมากประเดี๋ยวฉันก็ลืมกันพอดีฉันกำลังจะบอกเธอว่าวิธีดูคนไหนสอนง่ายคนไหนสอนยากให้ดูที่ความเชื่อของเขาถ้าใครเชื่อง่าย คนนั้นสอนยากแต่ถ้าใครเชื่อยากคนนั้นสอนง่ายจำเอาไว้ขอรับกระผมจะจำเอาไว้ตกลงเรื่องที่สามเณรบอกกับกระผมว่าพระเดชพระคุณเป็นเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์นั้นจริงหรือเท็จขอรับพระหนุ่มไม่ละความพยายามที่จะรู้เธอคิดว่าจริงหรือเท็จล่ะเจ้าคุณย้อนถามหากพิจารณาบุคลิกลักษณะ และถ้อยคำที่พระเดชพระคุณพูดกระผมคิดว่าจริงขอรับถ้อยคำที่ฉันพูดเป็นอย่างไรหรืออันนี้กระผมขออนุญาตไม่ตอบขอรับและเมื่อกี้พระเดชพระคุณก็อนุญาตแล้วภิกษุนมไม่อยากเรียนท่านตามตรงว่าที่ท่านพูดชั้นเธอนั้นแสดงถึงแบ่งฐานะระหว่างผู้ปกครองกับผู้ใต้ปกครอง ผิดกำลหลวงพ่อเดิมซึ่งท่านใช้ชั้นคุณอันแสดงถึงความเท่าเทียมกันครั้นจะบอกเจ้าคณะจังหวัดไปตามตรงเช่นนี้ก่อเกรงว่าท่านจะโกรธเอาละเอาละเป็นอันว่าเธอพิจารณาได้รอบครอบและถูกต้องทุกอย่างทีนี้ฉันจะถามเธออย่างตรงไปตรงมาว่าเธอเคารพหลวงพ่อเดิมไหม เคารพมากขอรับพระเจริญตอบจากใจจริงดีเธอตอบตรงไปตรงมาดีฉันกำลังจะบอกเธอว่าที่ฉันได้ดิบได้ดีมาจนทุกวันนี้ก็เพราะหลวงพ่อเดิมท่านปลุกปั้นฉันขึ้นมา ฉันได้เป็นเจ้าคณะจังหวัดก็โดยบารมีของท่านได้รับเรียนวิชาการต่างๆจากท่านมากมายยกเว้นวิชาคือตำราพิชัยสงครามกับคศชศาสตร์เพราะท่านไม่ยอมสอนให้ใครนอกจากลูกศิษย์ที่ท่านเลือกสรรซึ่งก็มีเพียงคนเดียวเท่านั้นและเธอคือคนที่ท่านเลือกสรรแล้วทำไมพระเดชพระคุณจึงคิดว่ากระผมเป็นลูกศิษย์ที่ท่านเลือกสรรล่ะครับ ถามประษาซื่อก็ท่านบอกฉันนะสิเธอรู้ไว้ด้วยว่าวิชาสองอย่างนี้ท่านหวงแหนมากเคยมีพระแล้วก็ครืหัดมาขอเรียนจากท่านเป็นร้อยร้อย ร, อยรายแต่ท่านไม่ยอมสอนให้ใครสักคนขนาดฉันเป็นลูกศิษย์ก้นกุติของท่านก็ยังไม่เดืเรียนเธอโชคดีมากรู้ไหมพระเจริญ ไม่รู้สึกตื่นเต้นหรือดีใจที่จะได้เรียนในสิ่งที่ไม่เคยมีลูกศิษย์คนใดได้เรียนมาก่อนท่านมองไม่เห็นความสำคัญของวิชาสองวิชานี้โดยมีคิดจะไปรบทัพจับศึกที่ไหนทั้งไม่เคยคิดจะยึดอาชีพในพรานหรือควานช้างแต่ก็อดแปลกใจไม่ได้ว่าเหตุใดภิกษุชาราจึงเลือกสันท่าน ทั้งที่ท่านไม่อยากเรียนที่คนที่เขาอยากเรียนท่านกลับไม่สอนให้เหมือนจะรู้ใจพิกษุหนุ่มหลวงพ่อเดิมหันหน้ามาทางลูกศิษย์ทั้งสองและพูดขึ้นลอยๆว่าที่อยากมักไม่ได้ที่ได้มักไม่อยากพูดจบก็หันกลับไปเป่าเพียงดีเพียงดีให้ญาติโยมอีกพระเจริญหันไปมองพิกษุชารา แล้วพูดกับท่านเจ้าคุณมาหาห้องว่าพระเดชพระคุณขอรับกระผมรู้สึกสงสารหลวงพ่อเหลือเกินท่านอายุปูนนี้แล้วยังต้องลำบากตราบตรำมานั่งเสกเป่าให้ญาติโยมทุกวันกระผมอยากให้ท่านพักผ่อนบ้างทำอย่างไรจะให้ท่านหยุดกิจวัตรที่ทำอยู่นี้ขอรับหลวงพ่อเดิมหันมาตอบสิเองว่าไม่ต้องห่วงฉันหรอกคุณ ตายเมื่อไรฉันก็หยุดเมื่อนั้นยังมีลมหายใจก็ต้องทำหน้าที่ต่อไปจะทำยังไงได้ในเมื่อยาิโยมเขาต้องการอย่างนี้จริงไหมยโยมท่านถามสีกาวัยสี่สิบเศษที่เช่านางกวักมาให้ท่านเศษเบาจริงจะ้ะหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ใครๆก็อยากมาหาญาติๆฉัน เขามาเช่านางกวักที่นี่แล้วทำมาค่าขึ้นเงินไหลนองทองไหลมาฉันก็เลยเช่าบ้างหล่อนพูดชอดๆโยมาจากไหนล่ะมาจากหาดเซียวจังหวัดอุตรดิตจะ้ะหลวงพ่อเคยไปไหมจะ้ะหล่อนถือโอกาสชวนคุยสตรีวัยเดียวกันที่รอคิวอยู่นั่งค้อนประลับประเลือกเพราะรอนานไม่เคย เอาละฉันเป่าให้แล้วให้คนอื่นเข้ามาบ้างจวนได้เวลาเพลแล้วนั่นแหละหล่อนจึงคลานออกไปด้วยใบหน้าอิ่มเอิบที่ได้คุยกับหลวงพ่อเดิมวันเวลาผ่านไปอีกหนึ่งเดือนพระเจริญมาอยู่ที่วัดหนองโพครบสามเดือนพอดีนับตั้งแต่คืนแรกกระทั่งคืนนี้ท่านไม่เคยขาดงานในหน้าที่คือการนวดเฟ้นให้เจ้าอาวาส วัยร้อยสามความเสมอต้นเสมอปลายของท่านทําให้ภิกษุชารารู้สึกซาบซึ้งใจและเต็มใจที่จะถ่ายทอดวิชาที่ท่านหวงนักหวงหนาให้หลวงพ่อครับผมอยู่กับหลวงพ่อมาครบสามเดือนแล้วหลวงพ่อจะบอกอะไรผมครับพระหนุ่มทวงถามขณะที่ทาหน้าที่นวดให้ภิกษุชาราท่านคิดว่าหลวงพ่อเดิมคงจะให้คาถามหาสนี์ หรือคาถามหาลาภที่ทำให้ร่ำรวยสวยดีมีสาวๆมารุมตอมจึงตั้งอกตั้งใจฟังคำตอบครบสามเดือนแล้วรึเวลามันช่างผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินสมภารวัดหนองโพปรารบหลวงพ่อจะบอกอะไรกับผมครับพระหนุ่มทวงอีกจะบอกวิชาลับสุดยอดให้นะแต่มีข้อแม้ คุณจะต้องได้กสินเสีย ก, ก่อนจึงจะรับได้ทําไมต้องได้กสินก่อนครับพระเจริญถามภิกษุสงไวเปลี่ยนจากท่านอนตะแคงมานอนงายและจึงตอบว่าเพราะต้องให้จิตตั้งมั่นก่อนจึงจะรับได้คุณเคยเล่าให้ฉันฟังเรื่องเนนที่เป็นโรคประสาทอ่อนๆชื่ออะไรนะเนนดิ่งครับแกปลุกพระให้ลุกนั่งได้ ใช่แล้วคนที่บอกคุณว่าถ้าทำได้ทำอะไรก็ได้หมดนะ่ะจำได้ไหยจำได้ขอรับแกนั่งท่องนโมพุทธายะปลุกพระให้นั่งได้แกว่าเรียนมาจากหลวงพ่อตายแต่พอมหาทองบอกให้เปลี่ยนเป็นนโมพุทธายะพระกลับไม่ลุกนั่งนั่นแหละ ฉันกำลังจะบอกคุณว่าคุณจะต้องทำให้เหมือนเนรูปนั้นคือทำจิตให้ตั้งมั่นเป็นอั ป, ปนาสมาธิก่อนฉันจะบอกวิชาให้วิชาอะไรครับหลวงพ่อถามอย่างกระตือรือร้นตำราพิชัยสงครามกับคชศาสตร์พระหนุ่มทำหน้าผิดหวังแล้วว่าอีกแล้วหลวงพ่อเลือกสรรคนอื่นแทนผมไม่ได้หรอครับ ผมอยากได้วิชาทำให้รวยกับให้ผู้หญิงรักเท่านั้นท่านต่อรองเรื่องนั้นง่ายมากถ้าเธอได้กะสินรับรองอย่างอื่นได้หมดลงพ่อเดิมจำต้องใช้กุสโลบายหรือครับถ้าเช่นนั้นผมขอเรียนเดี๋ยวนี้เลยนะครับ